เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสมข้าพเจ้าขอเล่าเรื่องที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏเมื่อได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์แล้วก็ไปสอบเข้าเรียนปรากฏว่าสอบเข้าได้มีพระภิกษุสามนเณรที่สอบเข้าได้คราวนั้นดูเหมือน9กบเอ็ดรูปใช้เวลาเรียนเจปีชั้นบุพภาศึกษาหนึ่งปีเตรียมสองปีเป็นนักศึกษาสปี เรียนที่ตึกมหามากุฎราชวิทยาลัยเป็นตึกสองชั้นหน้าวัดบาวรนิเวศวิหารปัจจุบันนี้เป็นสำนักงานแม่กองธทมสนามหลวงและดูเหมือนจะเป็นสมาคมโหนด้วยปีนั้นจะเป็นปีพุทธศักราช2499ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษารุ่นที่สิบมหาวิทยาลัยสมเปิดเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2489 เรียนอยู่ที่หน้าวัดสองปีพอถึงปีพุทธศกราช 2,501 ตึกมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็สร้างเสร็จเป็นตึกสามชั้นและย้ายมาเรียนที่ตึกนี้กว้างขวางสะดวกสบายขึ้นที่สภาการศึกษานี้นอกจากได้เรียนวิชาต่างๆมากมายแล้วยังได้มีเพื่อนฝูงจากวัดต่างๆมากมายทั้งธรรมยุทธและมหานิกาย หูตากว้างขวางขึ้นรู้สึกเพลิดเพลินต่อการศึกษาเล่าเรียนได้ความรู้ใหม่ๆแปลกแปกได้พบครูบาอาจารย์มากมายเช่อนอาจารย์สุชีพปุญญาณุภาพอาจารย์นวาอากาศเอกเมฆอําภัยจริตอาจารย์เสถียรโพธินันท์ธาอาจารย์สิริพุทสุขเป็นต้นอาจารย์สุชีพปุญญาณุภาพบรรยายวิชาพระสูตรในชั้นต้นคือชั้นบุพเพศึกษา และชั้นสุดท้ายคือชั้นปีที่สอาจารย์นาวากาศเอกเมฆอัมภัยจริตสอนวิชาพระสูตรในชั้นปีที่หนึ่งและสองเป็นต้นอาจารย์เสถียนโพธินันทะบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาลีลาของท่านสนุกสนานตื่นเต้นเสียงดังจำแม่นยังหาใครเสมอเหมือนได้ยากเข้าห้องสอนไม่เคยนั่ง ไม่เคยมีตำราติดมือเข้ามาเลยอาศัยความจำของท่านอย่างเดียวพูดได้ตลอดหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเป็นผู้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่อย่าง ป, นปอนรการแต่งกายไม่เคยตามโลกเลยนุ่งกางเกงเก่าๆใส่เสื้อฮาวายเท่านี้ก็ไปได้ทุกผลทุกแห่งแต่ไม่เคยมีใครรังเกียจท่านเพราะการแต่งตัวของท่าน เคยมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเชิญท่านไปปาถกถาขอร้องให้ท่านแต่งชุดสากลไปท่านบอกว่าจะฟังผมหรือจะฟังชุดสากลจำไม่ได้ว่าผู้เชิญตอบอย่างไรตกลงพงไม่ได้ไปสมัยนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยมักนิยมแต่งชุดสากลเวลาไปบรรยายในห้องเรียนหรือปาถกถาในห้องประชุม ความรู้ของอาจารย์เสถียรลังไหลเหมือนเกลียวน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน่าอาัศจรรย์จริงๆไม่เคยเรียนในมหาวิทยาลายัยใดไม่มีปริญญาใดๆน่าเสียดายที่ท่านอายุสั้นเพียง38เท่านั้นคืนหนึ่งอาบน้ำสระผมเข้านอนแล้วไม่ตื่นอีกเลยไม่ได้เป็นโรคอะไรข้าพเจ้าได้เรียนกับท่านอยู่สองปีต่อมาเมื่อข้าพเจ้าเขียนหนังสือเรื่อง คุทปัปตยามหายานได้อุทิศส่วนดีของหนังสือเรื่องนี้ให้แก่ท่านเพื่อเป็นเครื่องบูชาพระคุณของท่านบ้างตามสมควรอาจารย์เสถียรโพธินันทะอายุมากกว่าข้าพเจ้าแปดปีถ้ายังมีชีวิตอยู่ถึงเวลานี้อายุท่านก็แปดสิบพอดีอาจารย์สิริพุทธสุขสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นผู้อยู่อย่างเรียบง่ายและอนเหมือนกันรูปร่างผอมบาง ชอบนุ่งกางเกงสีกะกะีใส่เสื้อขาวแขนยาวเข็มขัดผ้าไม่ใช่เข็มขัดหนังรองเท้าผ้าใบาสีน้ำตาลถุงเท้าสีน้ำตาลพับลงมาครึ่งหนึ่งเครื่องแต่งตัวของท่านมีเท่านี้ทุกวันบ้านท่านอยู่บางพลัดฝั่งทนบุรีท่านเดินจากบางพลัดข้ามสะพานกรุงทนไปวัดบรวรนิเวศ ร, ระยะทางไม่น้อยเลยทุกวันที่มีการสอน ท่านไม่เคยเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยใดไม่เคยมีปริญญาที่เรียนในโรงเรียนจริงๆก็คือชั้นม .7 โรงเรียนเซนกระบียนแต่ความรู้ภาษาอังกฤษของท่านมากมายเหลือเกินทั้งกว้างขวางและลึกซึ้งท่านแปลหนังสือธรรมะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมากมายตั้งแต่หนังสือของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวรโรรสหนังสือของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพ และแม่นังสือของข้าพเจ้าผู้เป็นศิษย์ของท่านคือเรื่องหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนาหรือพุทธปรัชญาเถราวาทเมื่อองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือพอสอลได้ออกนังสือวรารสารภาษาอังกฤษชื่อนังสือ WFB หรือ The World Fellowship of Buddhists ได้เชิญท่านไปเป็นบรรณาธิการ นับว่าภาษาอังกฤษของท่านอยู่ในระดับโลกทีเดียวประธานองค์การพุทธศาสนิกัมพันธ์แห่งโลกในระยะนั้นก็คือมอมเจ้าหญิงพูลพิสมัยดิสกุลและต่อมาก็เป็นศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เขาพระเจ้าเรียนภาษาอังกฤษกับท่านอยู่4ปีตั้งแต่เป็นนักศึกษาปีที่1ถึงปีที่4ได้ความรู้ที่เป็นหลักและเป็นเนื้อเป็นหนังจนใช้ภาษาอังกฤษได้บ้าง ก็พ่อได้อาศัยการสั่งสอนอย่างเอาจริงเอาจังและหวังความเจริญในวิชาการทางภาษาอังกฤษของท่านต่อมาภายหลังเมื่อข้าพเจ้าจบปริญญาโทจากประเทศอินเดียแล้วได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งคือจริยศาสตร์ได้อาศัยตำราภาษาอังกฤษเป็นหลักสาคัญเวลาเขียนจึงได้อุทิศส่วนดีของหนังสือเล่มนั้นให้อาจารย์สรพุทธสุข ในฐานะผู้ประสาสต์ความรู้ภาษากฤษแก่ข้าพเจ้าจนสา ม, มารถอาศัยตำราภาษากฤษเป็นหลักเขียนจริยศาสตร์ขึ้นมาได้พูดได้ว่าเป็นหนังสือจริยศาสตร์เล่มแรกในวงการศึกษาไทยวิธีสอนอาจารย์สิริมักจะพิมพ์ข้อความซึ่งมีเนื้อหาเป็นความรู้ทั่วไปบ้างมีเนื้อหาเป็นธรรมะบ้างมาแจกให้นักศึกษาแปลในห้องเรียน เมื่อนานวันเข้าชีดก็ค่อยๆหนาขึ้นมากขึ้นเพื่อนร่วมชั้นของข้าพเจ้าหลายท่านไปหาข้าพเจ้าที่วัดบุพพารามเพื่อช่วยคนแปลข้อความต่างๆในชีตที่ได้รับแจกนั้นเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาอาจารย์ให้แปลในชั้นเรียนก็จะแปลได้โดยไม่ถูกอาจารย์ดุข้าพเจ้าจึงตัดสินใจว่าจะแปลบทเรียนทั้งหมดด้วยตัวเองแล้วพิมพ์แจกเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน เพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางไปที่วัดบุพารามในการนี้ต้องได้รับรองจากอาจารย์ก่อนเมื่อแปลแล้วจึงได้ส่งให้อาจารย์ตรวจบางคราวก็ไปหาท่านที่บ้านตั้งแต่เช้าและฉันเพลนที่นั่นเพื่อนนักศึกษารู้สึกสบายใจที่ได้อาศัยคู่มือซึ่งข้าพเจ้าได้ทําด้วยความภาคเพียรและข้าพเจ้าก็ภูมิใจที่ได้ทํางานนี้ เพื่อนๆชมว่าข้าพเจ้าแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยได้ดีทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะข้าพเจ้ารู้จักใช้ภาษาไทยให้สละสลวยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแต่งหนังสือในระยะต่อมาแต่ในทางตรงกันข้ามคือการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนั้นข้าพเจ้าทำได้ไม่ค่อยดีคิดว่าเป็นเพราะความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งพอนั่นเอง จึงสู้เพื่อนบางคนไม่ได้ที่ชำนาญในการใช้ภาษากรษพูดและเขียนได้คล่องมีบางท่านที่พูดและเขียนได้คล่องเหมือนกันแต่ไม่ถูกจึงถูกอาจารย์ดุเอา บ, บ่อยๆทำให้ไม่ค่อยชอบใจอาจารย์นักทั้งนี้เพราะคิดเอาเองว่าเพราะตัวเขียนและพูดถูกแล้วการเรียนภาษากรษกับท่านอาจารย์สิริทั้งหนักและเหน็ดเหนื่อย หลายคนทอแท้หมดความพยายามออกไปเสีย ก, ก็มีหลายท่านพอใจเพราะได้ความรู้เพิ่มขึ้นทุครั้งที่ได้เรียนข้าพเจ้าอยู่ในประเภทหลังนี้แม้จะไม่เก่งเท่าเพื่อนบางคนแต่ก็พอใจที่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นบางคราวข้าพเจ้าพิมมือตกลงได้คะแนนน้อยท่านจะออกมาเตือนที่หน้าห้องเป็นส่วนตัวท่านหวังดีต่อข้าพเจ้าเสมอมา ซึ่งจะเล่าอีกข้างหน้าสำหรับวิชาพระสูตรตันตปีดกและวิชาที่เกี่ยวกับศาสนานั้นข้าพเจ้าได้คะานนดีพอสมควรเสมอเมื่อเป็นนักศึกษาปีที่สามทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยซึ่งท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศัก์เป็นนายกสมาคมอยู่ได้ขอมาทางมหาวิทยาลัยสงเพื่อได้พระนักศึกษาสักรูปหนึ่งไปสอนพระสูตรที่พุทธสมาคม แก่ชาวบ้านผู้สนใจที่ห้องประชุมของพุทธสมาคมทางมหาวิทยาลัยได้ส่งข้าพเจ้าไปสอนในตอนเย็นวันพุธอาจารย์สัญญามานั่งฟังด้วยเสมอถ้าท่านว่างจากผู้ฟังกลุ่ม น, น้อยๆค่อยๆเพิ่มมากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจนเกือบเต็มห้องประชุมข้าพเจ้าใช้พระใจปิดกเป็นหลักในการสอนสอนอยู่ประมาณสามปี เมื่อข้าพเจ้าลาสิกขาแล้วจึงได้เลิกไปในปีที่สองที่ไปสอนทางพุทธสมาคมขอให้เปิดสอนวิชาบาลีขึ้นด้วยแต่ทำอยู่ได้ไม่นานก็ต้องปิดลงด้วยเหตุอะไรจำไม่ได้เสียแล้วที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนอกจากได้รู้จักอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์แล้วยังได้รู้จักผู้พิพากษาอื่นๆอีกหลายท่าน ได้รู้จักนักประพันธ์นักหนังสือพิมพ์เช่นคุณประมูลอุณหะทูปและภริยาคือครูประยอศสีอุณหะทูปอาจารย์โรงเรียนราชินีต่อมาได้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินีและคุณอบชัยวสุคุณประมูลเป็นนักเขียนนักหนังสือพิมพ์อยู่ที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐทั้งรายวันและรายสัปดาห์มีหนังสือเล่มหนึ่งของคุณประมูลเป็นเรื่องแปล ให้ชื่อว่าเจ้าแม่ทอวงดำหรือโอเปียมเวนเจอร์โดยเจอรันสเปโรคุณประมูลได้มอบหนังสือเล่มนั้นให้กับเจ้าพร้อมได้เขียนว่าขอน้อมให้อาจารย์วสิณอินทศราผู้พาผมไปถึงพระธรรมด้วยความเ อ, อืบอิ่นเป็นท่านแรก18สิงหาคมพุทธศักราช2525เจ็ดปีในมหาวิทยาลัยสงศ์ ข้าพเจ้าเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างวัดบุพสารากับวัดบาวรนิเวศซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยด้วยความยากลําบากด้วยความอดทนโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนการเดินทางก็ลําบากเพราะต้องขึ้นรถเมล์ทั้งไปและกลับนานๆครั้งจึงจะได้อาศัยรถแท็กซี่ของอาจารย์เรียบรังสีพงษ์ นักศึกษารุ่นพี่ซึ่งได้สมเด็จไปก่อนแล้วไปทำงานที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เบิกค่ารถได้รถแท็กซี่เวลานั้นเป็นรถออสตินท้ายตัดนั่งไม่สบายเหมือนรถแท็กซี่เวลานี้แต่ก็ดีกว่าขึ้นรถเมยซ้ำรองเท้าก็ไม่ได้สวมเพระาะวัดธรรมยุทธห้ามสวมรองเท้าออกนอกวัดจึงต้องเดินเท้าเปล่ามาขึ้นรถเมยที่ถนนใหญ่เชิงสะพานฟูด เที่ยงเที่ยงร้อนเท้าหน้าดูขากลับมาขึ้นรถที่บางลำพูก็ยากลำบากเหมือนกันเพราะพระมากด้วยกันต้องคอยให้เก้าอี้หลังสุดว่างจึงจะขึ้นไปได้เวลาฝนตกยิ่งลำบากใหญ่บางคราวก็เดินข้ามสะพานพุทธจําไม่ได้ว่าเพราะอะไรได้กลิ่นไก่ย่างที่เขาย่างขายอยู่ใต้สะพานฝั่งทนยวนนาศิกเชนี่กระไรความหิวซึ่งมีอยู่บ้างแล้ว กลิ่นไก่ย่างกระตุ้นให้หิวมากขึ้นช่วงหลั ง, ลงนี้ตอนเย็นหิวทุกวันเพราะสุขภาพไม่ดีแต่พอเช้าขึ้นมาก็หายได้อาศัยน้ําป่าณที่คนหน้าซ้าอ่างให้เด็กนําไปถวายพอประทังไปได้บ้างแต่ถ้าหิวตอนดึกก็เป็นอันสิ้นหวังบางคืนหิวจนนอนไม่หลับนมหรือโอบนตินไม่ต้องพูดถึงเพราะพระธรรมยุทธห้ามฉันในเวลาวิการ คือตั้งแต่เที่ยงไปแล้วน้ำหวานพอฉันได้แต่ไม่มีจะฉันที่กุติเกรี่ยงเกลาจากสิ่งบริโภคตั้งแต่เพลงแล้วก็ไม่ได้ฉันอะไรอีกที่มหาวิทยาลัยสมัยนั้นก็ยังไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้ำเปล่านี่คือความลำบากยากเข็นในสมัยเป็นพระนักศึกษาเพราะเคยมีประสบการณ์แบบนี้เมื่อข้าพเจ้าเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยสม จะถวายน้ำดื่มพระและผู้เรียนทุกครั้งที่เข้าสอนเมื่อเรียนจบแล้วและเป็นอาจารย์บรรยายวิชาแล้วจึงมักพูดให้กําลังใจนักศึกษาเสมอว่าเรียนไปให้จบเถิดจะไม่ตกต่ำถ้าความประพฤติไม่เสียเพราะความเพียรและความอดทนที่ท่านต้องใช้ระหว่างเรียนอยู่ที่นี่มีมากพอที่จะเป็นพื้นฐานของชีวิตให้เจริญงอกงามต่อไปจาได้ว่า เมื่อเรียนอยู่ปีที่สได้รับนิมนต์ให้ไปทำพจนานุกรมบาลีไทยอังกฤษโครงการของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานอยู่ที่วัดเบญจมะบอพิษเขาให้ชื่อหน่วยงานว่าหน่วยวิจัยทางพระพุทธศาสนากรมการศาสนาทำงานช่วงเช้าตั้งแต่9นาฬิกาไปถึงส1บนาฬิกาทุกวัน จะเว้นวันพระหรือวันอาทิตย์จําไม่ได้ให้นิจยพัดเดือนละสามร้อยบาทนั่งแท็กซี่ไปกลับเที่ยวละเจ็ดบาทกลับมาฉันเพลนที่วัดบ่ายก็ไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยจะทําได้ถึงปีหรือไม่จําไม่ได้กรมการศาสนาเปลี่ยนอธิบดีคนใหม่คือพันเอกปิ่นมุทุกันท่านสั่งให้เลิกงานหน่วยนี้ด้วยเหตุผลว่า งานอย่างนี้ไม่ใช่งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาคณะทำงานไปจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏบ้างจากมหาจุฬาบ้างเท่าที่มีเอกสารอยู่ในมือเวลานี้ทำไปได้ถึงเล่มที่หกคิดเป็นหน้าได้เก้อหกสิบหน้าหนังสือขนาดแปดหน้ายกตัดสั้นคือยาวยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรกว้างสิบห้าจุดห้าเซนติเมตรคิดแล้วหน้าเสียดาย ดูเหมือนว่ามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งก็ไม่ได้สารต่องานนี้หรือทางมหาจุฬาจะเอาไปทำต่อก็ไม่ทราบอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงและควรจะพูดไว้ในทีน่นี้ก็คืออาจารย์แสงจันงามเมื่อข้าพเจ้าเข้าศึกษานั้นท่านยังเป็นพระอยู่เป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าเก่งทางภาษาอังกฤษเคยเข้าสอนข้าพเจ้าไม่กี่ครั้งพราะ ง, งานท่านมากในตาแหน่งผู้บริหาร ท่านพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วและสำเนียงดีมากท่านสอบชิงทุนของ British c o ค n ซิลได้ลาศิกขาและไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วไปต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาจบแล้วได้กลับมาทำงานที่มหามกุฎระยะหนึ่งมอมหลวงตุ้ชุมสายอาจารย์วิชาจิตวิทยาของมหามกุฎได้ย้ายไปเป็นคณะบดีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ชวนอาจารย์แสงไปด้วยอาจารย์แสงจึงไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยาศาสตร์ตั้งแต่นั้นมาจนได้เป็นคณะบดีคณะมนุษยาศาสตร์และเป็นศาสตราจารย์มีสิทธิจากมหามกุฏหลายท่านไปทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์แสงจันงามได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มที่รู้จักกันมากก็คือลีลาวดี ข้าพเจ้าเรียนจบในปีการศึกษา 2,505 และได้รับปริญญาในปี 2,506 ปริญญ า, า, าศาสนศาสตรบัณฑิตเวลานั้นยังไม่มีการแยกคณะเมื่อเข้าเรียนปีแรกประมาณ91รูปเรียนไปค่อยๆออกกันไปเหลือปีสุดท้ายที่ได้รับปริญญาประมาณ24รูปองค์ที่ชวนข้าพเจ้าว่าขอให้เรียนกันให้จบนะ รูมันออกไปตั้งแต่เรียนได้ปีที่สองของเจ็ดปีการรับปริญญานั้นยังคงรับในโบสถ์ของวัดบวริเวศวิหารสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ประธานปริญญาข้าพเจ้าได้รับบรรจุให้เป็นอาจารย์สอนวิชาพระสุดตันตปิฎกตั้งแต่สอบเทอมสุดท้ายเสร็จยังไม่ประกาศผลสอบข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจว่าเหตุไหนจึงเป็นเช่นนั้นทบทวนไปมาก็เข้าใจได้ว่า ท่านผู้ใหญ่ผู้จัดการศึกษาคงจะมั่นใจในตัวข้าพเจ้าจึงได้ทำไปเช่นนั้นทำให้รู้สึกภูมิใจนิดๆว่าท่านให้เกียรติเราถึงป่านนี้มีเรื่องจะเล่าไว้เสียตอนนี้เลยก็ได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเรียนจบและได้รับปริญญาแล้วก็ยังคงไปสอนพระสูตรอยู่ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยทางประเทศเยอรามานีได้ติดต่อผ่านมาทางศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ ว่าขอพระไทยไปอยู่เยอรมนีสักรูปหนึ่งศาสตราจารย์สัญญาธรรมสักดิ์ทาบถามขอให้ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าก็เต็มใจที่จะไปเรื่องถึงคณะธรรมยุทธ์ผู้ใหญ่ทางคณะธรรมยุทธ์ประชุมกันมีสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีขณะนั้นดูเหมือนจะดมรงสมณาสักเป็นสมเด็จพระมหาวีรวง์เป็นประธานประชุม ที่ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยข้าพเจ้าไปนั่งฟังอยู่ด้วยมติที่ประชุมไม่อนุญาตให้ไปเหตุผลว่าไปอยู่ร่วมเดียวจะอยู่ได้อย่างไรจะทําอุโบสถสังฆกรรมได้อย่างไรจะปรองอาบัติกับใครเข้าใจว่าเวลานั้นพระสงฆ์ไทยในเยอรม น, นีคงยังไม่มีเลยเป็นอันว่าการไปเยอรม น, นีเป็นอันยกเลิก